นาปฏิวนันพิคชณีต่อไปนี้ไม่ต้องระบัตคือ5 1า1้ิกษ้พิีแสดงอานิสงส์แล้วคัดค้าน 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่7จดจบ